ใจปุ๊ใจก็ยังเป็นตัวตนเป็กิเลสเป็นกรรมเก่าใือไหมว่ามันส่งผลให้เราคิดยังไงมันก็ยังไม่ตรงเหมือนว่ามันตามจริตรบบนี้ใส่หรอวะครับมันเชื่อใจใจตัวเองให้เชื่อไม่ได้เลยคือมองต้องผ่านวางคือผ่านใจไปอีกอันหนึ่งก็คือไม่มีภาษาคือตรงนั้นนะครับแต่อโซนที่ใจนี่ก็คืออยู่อยู่กับมันได้หมือนเป็นของเล่นนะครับว่าไม่มีปรากฏอยู่ แจะพื้นด้านหลังคือความว่างคือตัวที่ว่าไม่มีภาษาอันนั้นนะครับก็เป็นอยู่กับไปถ้ำจางไปอยู่กับความว่างอยู่กับความว่างใครในใจใจตัวนหนึ่งความว่างอีกตัวนหนึ่งจะมาอยู่เหมือนโลกุตละกับโลกิยะ<า>ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเราอยู่ระหว่งางทำคู่มันมีอยู่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราก็ไม่ได้อยู่ฝั่งไหนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แต่เราอยู่ทางกานทางการแล้ว how to ล่ะคะมันเหมือนว่ามีมีสิ่งหนึ่งอะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ฝังเข้าไปฝั่งนั้ น, นามามีสมมติว่าฝั่งที่ใช่กับไม่ใช่เนี่ยเราปุ๊บ ก, ก็อยู่ mm. เห็นทั้งสองสิ่งแต่เราก็ไม่ได้เชื่อแล้วครับไม่ได้ยึดถือไม่ได้ไหลาตามไม่ปฏิเสธครับ mm. มันจะเป็นแค่แค่ภาวะถ้าเราไม่เข้าไปสิ่งไหนมันจะเป็น ไม่เข้าไปยึดมันก็เป็นแค่ธาตุเป็นแค่ภาวะที่ผ่านไปเหมือนอารมณ์เนี่ยถ้าเราเห็นปุ๊บภาวะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตราไปยึดอันนี้คือว่าไมไ่มันยึดแล้วไปแล้วว่าเป็นเราเราโกรธเรามโหแต่สักพักมันก็จะต้องหายไปแต่ทีเนี้ยมันมันเหมือนว่าถ้าถ้าเราไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่ชี้มันมันก็ทุกภาวะมันหายไปเองตลอดถ้าเราไปให้ค่าไปมอง ไปสนใจมันมันก็ยิ่งโกรธยิ่งโมโหยิ่งให้ความหมายมันเหมือนเติมเชื้อไฟให้แต่ถ้าเราเราเห็นปุ๊บไม่รู้ไม่ชี้คือชักพักมันก็ผ่านไปทุกภาวะอารมณ์มันก็คือความว่างว่างเดิมที่มันว่างอยู่แล้วแล้วก็มีสิ่งอื่นเข้ามากระทบมีภาษาเราก็เลยไม่ว่างซะเองตัวนั้นนหะครับบางทีเลยการหมุนเวียนไปแล้วเราก็เคยชินอยู่กับกความคิดความไม่ว่างความไอเป็นเรียกว่า ใจตัวเองนะครับใจตัวเองคือมันก็นเลยไม่ว่างคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตลอดไอ้ความว่างที่เราเดิมอยู่แล้วมันก็หายไปแล <c oughs> ้วครับครูที่อาจารย์ที่อาจารย์ปฏิบัติตอนแรกตอนแรกคือเหมือนเหมือนการลองผิดลองถูกแต่สุดท้ายมันกลายเป็นการกระทำหมด ค, คือมีเราไปจจํากัดการจะทําว่าเราต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ สุดท้ายไอ้ตัวที่ต้องที่ตั้งความหมายที่ให้ค่ามันคือคือตัวพบชาติที่จะสืบต่อไปแล้วก็เป็นตัวไอ้ตัวตัวเองเนี่ยคือมันจะสืบไปแม้แม้แม้จะกายเราตายไปเนี่ยจิตตัวเนี้ยมันจะสืบต่อไปแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมของมันไปเรื่อยๆกี่พบกี่ชาติก็เรียนถ้าที้เราไม่หยุดไอ้ตัวตัวที่ให้ความหมายเนี่ยตัวเราเนี่ยมันก็จะหยุดไปจิตก็หยุดช้๊าดเหมือนกับทายที่ถีชไัยอุปทานไป เพียงแต่ว่าไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้ค่ามันมีแต่ว่าไม่ยึดก็เหมือนที่ท่านมองโกว่าผิวจางคุณแต่แต่ว่า<ๆ>จริงๆมันไม่ได้เหมือนว่าหยุดถ้าไม่มีเราบังคับมันก็หยุดเองตอนนี้ถ้ามีบุ๊บเราเคยชินที่เราจะไอตัวที่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแหละคือตั้งค่าตั้งความหมายตั้งเงื่อนไขตั้งตั้งกติกาเหมือนเราต้องการอิสระแต่ต้องมีเงื่อนไขมันก็ไม่อิสระและ้ว แต่จริงๆเหมือนเราต้องการสงบแต่เราก็ไปไปคิดว่าจะสงบกลายเป็นไอ้ความสงบมันไม่สงบเพราะว่ามีเราอะไปคิดเหมือนเราต้องการสมาธิจริงๆมันก็สมาธิมันก็เหมือนว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นสมาธินะสติก็ไม่ได้บอกสติ<อ>มีแต่ความหมายที่เราเขียนสมมติบัญญัติขึ้นเรียกว่าไอ้สิ่งเนี้ยเราเรากำหนดว่าสะกดจิตตัวเองว่าอันนี้คือสติอันนี้คือสมาธิจริงๆมันไม่ได้บอกเลยนะครับว่า เพรมันคืออะไรเราพยายามนึกว่าที่เราเรียนรู้มาแล้วก็ประมวลคําใช้สมมุติบัญญัติมาว่าไอ้นี่คือสมาธิเราก็นั่งไปหลับตาไปแล้วก็คิดว่าเนี่ยคือสมาธิละแต่จริงๆมันไม่ได้บอกอะไรเลยสุดท้ายกลายเป็นว่าเราคิดไปเองข้างเดียวหมดเลย <c oughs> เนี่ยทีนี้เราก็ไอ้ที่ว่าเราคิดไปเองข้างเดียวเราก็ลืมๆแบบว่าเอส่วนที่ความว่างที่มันมีอยู่แล้วก่อนที่จะ ก่อที่จะมีอะไรเนี่ยเราเราก็ไปวุ่นแล้วก็ว่างแล้วก็วุ่นแต่เนี้ยไอ้โตจะว่างเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันเหลือแกลายเป็นตัวเราแลยหลวัดเลยในปัจจุบันเนี้ยเราคิดเรานุ่นเรานุ่เรานี่เราไม่เคยหยุดเลยมันก็เลยลืมภาวะเดิมแท้ไปแค่ที่มีการของอาจารย์เฉยอะคะก็คือคือเห็นเห็นปัจจุบันที่ว่าไม่ใช่ปัจจุบันก็เห็นภาวะทุกว่างทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นปุ๊บ เดี๋มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยโดยที่ว่าไม่มีเราไปสอนดูแล้วเห็นทุกอย่างแต่ว่าไม่ไปยุ่งกับมันไม่มีตัวหเราครับไม่มีอะไรรู้ภาย่างเดียวเป็นเฉยๆที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้ซื่อๆครับรู้ซื่อๆไม่ไงและครับประมาณนั้นแต่ว่าที่อ่านถ้าเป็นของท่านมองโกท่านเมื่อไหร่ก็เหมือนไม้มองกลับมาที่ใจตัวเองครับแต่แต่ตรงนี้มันเหมือนว่า การมองอ่ะยังมีผู้ผู้ที่มองอยู่มองเห็นสิ่งถูกรู้กับสิ่งถูกเห็นเหมือนมองมองใจตัวเองใจตัวเองยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตามสิ่งที่กระทบแล้วก็อนุสัยกรรมเก่านิสัยจริตนิสัยจริงจริตแล้ก็ไม่มีจริตนะเราไปสร้างคิดมาว่าไอเนี่ยเราเป็นจริตเราไอนี่นิสัยเราต้องเป็นแบบนี้ความคิดเราต้องแบนแบบนี้เราก็เรียนรู้มาเราก็ต้องชอบแบบนี้เป็นอย่างนี้คือเราสร้างกรอบให้ตัวเราเองจน กจนเป็นความเคยชินว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้พอปุ๊บคิดไม่เหมือนเรากับคนนี้ก็ไม่ใช่มันมันเป็นการตีตอบพอข้อจํากัดของของตัวคนนั้นขึ้นมาทีเนี้ยเราก็ต้องผ่านอุปท า, านกับสิ่งที่ที่เราเคยตอกย้ํามาใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกหรือผิดเราเห็นต้องเห็นสิ่งหนึ่งเนี่ยปุ๊บเราจะตีค่าไปเลยเป็นขันห้ามันจะทํางานเองมันจะบอกว่าไอเนี้ยเห็นปุ๊บเราตีสวยไม่สวย ความคิดมันลั่นตัวเองหมดเลยนั่นแหละครับเราผ่านกับสิ่งนั้นมันคิดของมันก็ปล่อยไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายมันก็จะเห็นว่ามันก็มันก็มันก็จะเห็นเองว่ามันคิดไปเองหมดเลยไอ้ตัวที่อยู่แบ็กกราวน์ข้างหลังนี่รู้เรื่องเลยทั้งหันห้าเราจะเห็นเห็นกลไกหมดว่าถ้าไม่มีเราซ้อนมันจะเห็นอัตโมติว่าจริงๆว่าจริงๆมันทํางานกันเองหัวใจเต้นเอง แกเองอ่หัวใจแล้วก็ระบบย่อยอาหารเองผิวหนังระบบเซลล์ผิวทุกอย่างมันทำงานเองหมดมีแต่ไอ้อความรู้ความหมายที่เราตั้งไว้นี่ว่าเรียนรู้มาเราต้องอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันสืบต่อไปแม่แม่กายตายแต่ไอ้ตัวความหมายเนี่ยมันสืบต่อมันเป็นพบชาติที่ต่อไปสู่ร่างใหม่ร่างใหม่เรื่อยๆแต่ทีเนี้ยเราหยุดให้ค่ากับเอง ไอตัวที่คอยคอยให้ความหมายบ่อยๆตัวนี้ก็จะจางจืดหายไปภพชาติก็จะสั้นลงแต่แต่ถ้าเรายังให้ความหมายอยู่ว่าต้นไม้สวยนะั่นนู่นนี่คือเราเห็นแล้วก็อินกับความหมายอินกับความคิดอินกับจริตอินกับความเป็นประธานเราสติเราสมาธิเราบ้านเราโลกเราคือเราเห็นทุกสิ่งเป็นเราเป็นเขามีการแบ่งแยกขึ้นทันทีปุ๊บมันก็เกิดความเคยชินในสังสารวัรแนะว่า ไอเนี่ยแหละคือคือตัวเราแต่ทีนี้พอตายไปมันก็ยังยังคอนโทรนเหมือนเดิมมีตัวที่คอนโทรนครับก็ต้องต้องตอนใช้ความปัจจุบันเนี่ยให้ออกจากความเคยชินความคิดที่โผลมาจริงไม่จริ ง, รงใช่ไม่ใ ช, ใช่ที่มันออกความหมายมาเนี่ยเราเราจะเห็นว่ามันทํางานเองหมดเลยเราก็เป็นผู้เหมือนว่าจะไม่ใช่เหมือนคล้ายถอยออกมาทุกสิ่งอะ่ะคือไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ผู้กากับ ไม่ใช่ตัวประกอบแต่เราเ ห, เห็นองค์ประกอบครบหมดทุกมิติแล้วเราก็ไม่ไปสอนไปสุดท้ายเราจะห่างออกไปเรื่อยๆเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวเหมือนโลกกับพาะจันทร์คือความยึดถือความความติดในห้องในโลกเราจะหายไปแต่ถ้าดับแต่ยังติดในตัวโดนในใจในความรู้ความหมายมันก็ยังสนุกต่อไป <c oughs> <c oughs> มันยังไม่มันยังไม่เบื่อหน่ายเพราะเพราะสุดท้ายมัน จิตมันต้องอยู่ที่จิตเบื่อหน่ายของมันเองนะไม่ใช่เราเบือ่อถ้าเราเบื่อเนี่ยเหมือนว่าเราเราสะกดจิตตัวเองอย่างว่ายัางไม่จริงถ้าจิตมันเบือ่อมันมันเหมือนว่าเห็นปุ๊บเนี่ยมันไม่เอาเลยเช่นกินอาหารอย่างเงี้ยเราไม่เฉยปุ๊บไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยคือเห็นปุ๊บเฉยเมันจะไม่สนใจเลยคือจิตไม่สนใจเองแต่ถ้าถ้าเราเหมือนว่ากดคมเนี่ยคือเวลาโกรธหรือเวลาสงสยัยหรืออะไรมันมันกดคม สัาพักเดี๋ยวตัวจริงก็จะต้องโทรมามันไม่คือหมายว่ามันยังไม่แพ้จริงอ่ะแต่ถ้าถ้าจิตมันมันคลายตัวมันเองมันจะแม้แต่จิตมันจะยังไม่สนใจเพราะจิตมันจะคลายออกจากตัวเองจิตไม่ได้เป็นจิตแต่มีแต่เราไปสร้างความหมายว่าไอ้นี่คือจิตเราสร้างความหมายว่าไอ้นี่คือสมาธิเราสร้างความหมายทุกอย่างเราสร้างสร้างทุกอย่าง่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไปหลงสิ่งที่เราสร้างไะครับว่า เป็นจริงเป็นจังนะจริงมันไม่มีความหมายอยู่ก่อนแล้วคือคืนให้เดิมแค่ธรรมะตัวครูออกไม่ได้ครับเป็นเข้าวสูตวิธีธรรมชาติใช่ครับตรงนจะแค่เป็นวิธีธรรมชาติที่าอาจารย์พูดเนี่ยพูวิธีธรรมชาติครับไม่มีความสุขก็มีตัวเรเข้าแปเชื่อใจกัการ ความยึดถือมันจ ะ, จะจะสั้นลงห่างไปเรื่อยๆภาพอินในในอารมณ์เมือก่อนเราเคยดูหนังเคยอะไรเนี่ยมันจะดูปุ๊บแล้วสนุกแล้วร้องไห้หรืออินกัดเด่เราก็หลงเป็นพระเอกหลงเป็นอะไรเป็นในนั้นไปแต่ทีนี้เราเห็นปุ๊บมันจะกลายเป็นดูแค่หนังแหละมันเอิ่มห่างเริ่มปุ๊บต่อไปมันก็ไม่จะไม่ดูจะสนเหมือนว่าเป็นสิ่งสมมุติไปละทีนี้มันจะห่างไปเรื่อยๆเองจากพิติตร์มันเบื่อหน่ายมันเองนะไม่ใช่เราผรมบอกว่า ไม่ใช่ไม่ชอบอะไรเงี่ยครับก็เป็นแล้ ว, วก็เหมือนกับของหัวข้อเนี่ยครถือว่าเหมืเหมือนพระอาจารย์เนเหมือนแบบสุอะไรทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนหลวงพอเทียมมากกว่าอ่าเขาเขาเรียกว่าสุญญาตาสุญยตาก็จริงๆก็ไม่มีความหมายอยู่ก่อนแล้ว ไม่มีสิ่งไหนที่เรียกได้ออก็คือหมดไม่มีความหมาย <wen> ก็คือภาวะเอเดิมๆเนี่ยมันเป็นอย่างไงล้วก็ก็อยู่อย่างเ<อ>งี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าถ้ารู้ซื่อๆก็เป็นก็ก็ขายกันครับแล้ว <aff id azzi> แต่สมุติบัญญัติแต่แต่สุดท้าย อ, อส ม, มุญนไพรจะใช้ไม่ได้คือทิ้งสมุนมัติหมดแล้วก็อยู่ภาวะเดิไนไปครับสยู <am>. ่ก <advanced ician> ับตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติ ชื่ออะไ ร, รครับมันจะพาวท์ของหลวงพ่อให้ของอาจารย์นั่ดนี่มองอะไรใหเห็นเฉยๆมันจะมันดูอะไรก็เฉยๆนะไม่ใช่ครับมันปกติเลยเราหัวเราะร้ อ, องไห้เหมือนกันปกติแต่เราไม่ซ้อนเข้าไปค่ะไม่ใช่แบบกดคมอันนั้นคือเหมือนว่าเป็นคุณยนว่าใช่ใช่มันแต่นี้มันเหมือนว่าเห็นปุ๊บร้องไห้ปกติสุดท้ายหัวเราะมันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หยุดเอง ลองให้ก็ต้องหยุดเองเพราะเป็ น, นกลไกที่พระพุทธเจ้าบอกอนิีจังทุกขังอนัตตาถ้าเมื่อไรเราเราไปกักขดกดขมก็ทุกขงังเราจะเกิดความทุกเกิดความเสียใจหรืออินอารมณ์เข้ามาคือทุกมันขั ง, งไปละแต่ถ้าเราปล่อยเหมือนอานัตตาถ้ามันทำงานเองอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็ น, นกลไกธรรมชาติเท่าไรอย่างเงี้แหละครับใช่ตับย้ให้มออาเคลมปกติไม่ต้องทําใจเลย อยธรรมชาตินี้เราจะเห็นกลไกวางขึ้นเพราะว่าไม่มีเราไปสอนไม่มีเราไปไปต้องไปสั่งเช่นอย่าโกรธนะอย่าหัวเราะนะอย่าอะไรเนี่ยคือมีการบล็อกสตารตัวเองไว้มันมันเหมือนว่ากดดันตัวเองแ ต, แต่แต่ทีนี้ถ้าเราเห็นด้วยจิตจริงๆเราไม่ได้กําหนดอะไรเนี่ยพอเราหัวเราะปุ๊บมันหยุดเองมันอะไรเองมันเห็นกลไกเองปุ๊บทีเนี้ยจิตมันจะรู้ว่าทีไหนคือสมมติมันก็จะไม่ทําเอง เพราะไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปต้องไปสั่งนะครับสพักจิตมันเข้าใจสภาวะทุกอย่างมันก็จะหา ย, หายไปเองมันเป็นลิขิมันเป็นลิขิตของฟ้าจริงจรมันเหมือนเโชคปแล้วอาะเป็นเป็นโชคต้นของที่จะปฏิบัติเพราะทัวเพราะเพราะคิดตัวเมิ่มเหมือนว่าแต่แต่เดิมเลาที่ตรงไหน แต่ตอนแรกอะเริ่มปุ๊บเราเรามามีตัวปฏิบัติปุ๊บเรามีตัวรู้มีตัวอะไรเนี่ยปรากฏว่าเราไปเห็นภาวะเอ๊ะเราเราไปกําหนดเราไปทํเาทเราไปสร้างสร้างสิ่งนี้ปุ๊บเราก็ลืมตัวว่างไปกลายเป็นว่ามีแต่เราทําเราทําเราทํากลายเป็นภาวะ้สุญญตาที่หรือตัวว่างหรือตัวตัวนิพพานหรือตัวอะไรที่ไม่มีความหมายเนี่ยเราลืมทิ้งนี้แลาแต่กะทํามาทํากระทําแล้วก็บางภาวะตามเป็นจริงหมด ทีเนี้ยพอพอเราเห็นปุ๊บแต่ก่อนมีตัวรู้เราเริ่มมาเห็นตัวว่างทีนี้เราก็จับจุดได้แล้วไ อ, อ้สือสุญญตาตัวเนี้ยเราก็เริ่มผ่อนคลายตัวเองงดการกระทำแล้วไม่ไปซ้นอนไม่ไปบงังไม่ไปอะไรตัวว่างนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นพลังงานที่สูงขึ้นแต่อีตัวที่เราคิดเยอะๆเอยคิดเนี้ยมันจะหายไปเองมันจะไม่ค่อยคิดมันจะไม่ค่อยพูดแล้วมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นไอ้ส่วนธรรมชาติแท้จริงก็จะเปิดเผยมา เดยที่ว่าไม่มีเราไปสอนแค่นั้นเองเหมือนเหมือนการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้เลยไม่ไมแทบจํ า, าจเหมือนเหมือนฝึกก็ใช่ไม่ฝึกก็จะ ไ, ได้ <Okay. S 1> <laughs> แต่ก็ไม่ได้เรื่องจากการมองเข้าหาศูนย์ว่าการเข้าไปอยู่ในจุดกล า, างไม่เลยครับเพราะตับใดถ้าเรามีมีจุดศูนย์กา <c oughs> ลางก็ยังมีเราอยู่ <c oughs> เรารู้ว่า มีการกรงแต่งว่าเราอยู่ตรงนี้มีตัวเราสิ่งถูกรู้กับสิ่งถูกเห็นก็ยังเป็นธรรมคู่อยู่มันยังบิว้วมีตัวตนอยู่เหมือนว่าสร้างเงินไขขึ้นมาแต่สุดท้ายมันยังมีสองสิ่งอยู่สิ่งถูกรู้กับตัวเราเราไปรู้ว่าว่างเราไปรู้ว่าสุ่นกลางหรือเราไปอยู่ตรงมัดมัดเป็นที่เดินเป็นผู้เดินจริงๆมันมันต้องตัดทางเส้นทางหมดเลยทุกทางเดินมันจะเจอตัว ตัวเนี้ยครับถ้าไม่มีผู้เดินเพราะตับเดยมีผู้เดินมันก็ยังมีความเราก็จะคิดเข้าข้างเองว่าอันนี้คือทางเดินทางสายกลางอันนี้คือทางที่ถูกอันนี้พอมีเราอยู่เนี่ยมันก็ผิดแล้วเพราะว่ามันลืมความว่างไปละจากเดิมที่ไม่มีอะไรสุดท้ายกลายเป็นว่ามีเราคิดอยู่คนเดียวปรุงแต่งทั้งถูกทั้งโลกและธรรมก็คือคือมีตัวเราคิดเองเออเองหมด พื้นหลังก็ว่างอยู่อย่างนี้นนยว่างเองอยู่แล้วอาจารย์พูเหมือนว่าอาจารย์อยู่ในจุดที่อาจารย์กจเรียงควาว่างอยู่ด้วยมีทา ง, งว่างและไม่ว่างผสมกันไม่ใช่ที่ว่างแหละไม่ว่างไม่ใช่ที่เห็นแหละไม่เห็นไม่ใช่ที่คิดแหละไม่คิดมันอยู่ท่ามการทุกสิ่งแต่ว่าแล้วก็ไม่ไหลตามนะไม่ปฏิเสธทุกอย่างมีอยู่แต่ว่าเราไม่ชอบไปแทรกแซงแหละ <laughs> แล้วก็วางโดยที่ไม่มีผู้วางตัดโดยมีวิวตัดมันหายไปเองหมดเพราะมันอนิจจังเหนื่อยสักพักมันต้องหายไปทุกภาวะหายไปเองหายไปเองเนื่องจามันมีสองอย่างวางมันก็ยังมีรับประการยังมีมมมถ้าเราอะอายก็ไปลงมากๆนะตรงนั้น อเมื่ไม่มีเราลยไม่มีเราไม่มีเราแล้วพี่ปาพูดอหมฟังเหมือนว่าพาสิ่งที่พารเยะี่หายก็เป็นพวามว่างแล้วมันมันจริงๆเราไม่ได้หายเราอยู่ในทุกองค์ประกอบหมดเลยคือหมเลิทำกันแล้วเลยเมทการพุทธค่ะมันก็คือสิ่งเดียวกันเพราะว่าถ้าตาบใจเราไม่เปรียบเทียบแบ่งแยกเนี่ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยต้นไม้ เราก็ความเคยชินมาก่อนเราจะมาต้นไม้ต้นอะไรสีอะไรดอกอะไรแต่ภาเนี้เราเห็นปุ๊บมันก็ไม่ปรุงแต่งก็คือเป็นภาพเฉยๆกทุกสิ่งก็คือสิ่งเดียวกันจากเดิมที่ไม่มีความหมายเราไปเห็นปุ๊บก็แบ่งแยกเป็นเป็นตัวอื่นคือฝึกจะเริ่มจากอุปาทานที่ว่าเราเห็นสิ่งต่างๆเราไม่ให้ความหมายไปว่าใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อเราไม่ไ ม, ไ, มไม่ไปไม่ไปตอบย้ำตัวนั้นบ่อยๆสักเขาไเห็นสักเขาไปเห็นไป ดูัดวเเห็นที่ไหนนอเข้าวิธีาันาเพราะอันนี้จ ะ, จะค่อนข้างไวเพราะว่าถ้า<ม>ถ้าเรายังใช้ความหมายตัวเองเนี่ยมันหลอกปุ๊บเป็นเส้นทางทางเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นธรรมาชาติเดิมเดิแมแท้ถ้าเราหมองกับวิธีการัำเรือของหลวงพ่อไหมคะหลวงพ่อเนี่ย มันก th ็เป็นทางหนึ่งที่จะเข้าถึงตนี้อ่าการจำเรียงที่การจำเรีองนี่มันทำให้เราไพ้นยุทีที่มีตัวคูนั่นตัวคูไม่มีเราก็เข้าไปสูขามในธรรมชาติเข้าไปสู่วิถีธรรมชาติเปนอย่าเดวในธรรมชาติความรู้สึกความรู้สึกใจก็คือมองหรือว่ารับรู้อะไรรับรู้ให้มันเป็นแบบว่าเลยเสม เห็นทุกอย่างมีอยู่หัเลาะร้องไห้ปกติทุกอย่างมันนิจจังที่จบตัวเองแต่ว่าไม่มีเราไปสอนไปปุ๊บรอเราเห็นบ่อยๆนะจิตมันจาได้มันก็จะถ่ายตัวมันเองหน้ที่คือไม่ใช่เราไปเรียนรู้จิตมันเรียนรู้ของมันเองไม่ใช่เราไปสั่งการว่าอย่าอย่าเป็นอย่างนี้จงสงบจงมีสมาธิจงมีสติจงเราสั่งเองตลอดอย่างนี้ปุ๊บแต่จิตเนี่ยมันมันมันเป็นไปนเองหมดทุกอย่างอย่างโยมหเลาะเนี่ย ปั๊บเดี่มเขาหยุดเองไหมร้ อ, องไห้เขาหยุดเองสุดท้ายหัวใจเต้นเองแก่เองทุกอย่างร่างกายมันทํางานเองหมดทีเนี้ยไอ้ไอที่มีความหมายเพราะมีความคิดขึ้นมาพูดขึ้นมาคอยสั่งการไอ้ตัวเบื้องหลังเนี้ยแหละที่วามมันไม่ยอมจบแล้วมันก็จะสั่งไปทํานู่นทนํานี่เนี่ยตอนเนี้ยเราเราสต๊อปมันโดยที่ว่ามันมีอยู่แต่เราไม่ให้ค่ามันไม่ให้ความหมายไอ้ตัวเนี้ยมันจะจะหายไปเหลือแต่กาย กายที่มันทำงานตัวเป็นทาตปกติไปจะยังไม่ให้เข้าใจเข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าแค่เนีแต่รู้ว่าเท้าทูที่ฝึกตั้งแแรกทำเริ่มต้นที่ว่าเอออย่างบีฟังว่าอาจารพูดเอมันเหมือนตรงมันเป็นตรงไปไปแล้วหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยคงเริ่มนะคะ ฝุดเริ่มจุดจารเริ่มเริ่มตรงวิสัชนว่าเลยใช่ครับจต่พราะจากเดิมที่เราฝึกมาเนี่ยเหมือนว่ามีไปไปดูโต้รู้ฝึกดูสติฝึกฝึกมาค่อนข้างเยอะแล้วเราเหมือนว่าเสียเวลาตรงนี้คือมันไอ้ตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์เพราะากลายเป็นว่ารู้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าท่าทุกทุกสิ่งที่เราไปรู้เนี่ยปุ๊บมันเป็นเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวที่เนิ่นช้า เ น, นินนเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่ง น, นั้นนานเกินไปแต่แต่พอเราบรรลุตรงนี้ปุ๊บฝึกแค่ตรงนี้เลยเพราะว่าให้ให้วางแม้แต่ความสงสัยหรืออะไรเนะี่ยมันมันจะเห็นปุ๊บขณะหนึ่งสงสัยก็แป๊บเดียวแล้วถ้าเราไม่ไปสงสัยต่อก็หยุดไปไม่คำตอบก็ไม่ต้องการความรู้สึกอารมณ์ภาวะทุกอย่างมันมีแค่ขณะหนึ่งหมดเลยชีวิตก็มีแค่ขณะเดียวขณะที่ความรู้คิดเนะี่ยปุ๊บปัจจุบันแล้วก็วินาทีต่อไปเป็นอดีตและ อดีตนาทีที่แล้วชั่วโมงที่แล้วแล้วเราก็เอาสิ่งที่ว่าผ่านเนี่ยมาคิดใหม่เลยมีตัวตอนในสังสวัส์ที่มันหมุนเวียนหมุนเวียนแล้วก็อนาคตก็ไม่มีจริงปัจจุบันก็จากปัจจุบันแค่วินาทีเดียวกลายเป็นเยอะขึ้นเยอะจนจนกลายเป็นตัวเองตลอดจริงๆปัจปจุบันมันสั้นแล้วก็จนไอ้ตัวภาวปะปัจจุบันเนี่ยปุ๊บแป๊บเดียวนี้จนมึงจนเราเห็นความเปลี่ยจริ ง, รงมันจะไม่มีเวลาแล้ว เราก็ไม่เอาของเก่ามาคิดปัจจุบันก็จะว่างไม่มีมันก็จะไม่มีความคิดตรงเนี้ยครับแต่ก็ฝึกหือว่ามันเป็นเรียกว่าไม่ไม่ใช่การฝึกแต่มันคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยที่เราที่เห็นโผลขึ้นมาปุ๊บล้วก็เราก็ดูปุ๊บมันไม่ให้ค่ามันก็จะหายไปเองทุกขนาดขนะดนั่นนะครับมั น, มน ว, ว่างเอ ง, เองตลอดอย่างยอมคิดเนี่ยหรือพูดปุ๊บ สภาพมันก็หยุดมันก็จะว่างเองทีนี้ความว่างเนี่ยเราลืมไปแล้วเรามันจะคิดคิดและทํานู่นทนํานี้มันก็เลยเลยลืมภาวะนั้นไปเขาะจะอาจจะเรียกจิตเดิมแท้หรืออะไรก็ตามนั่นนะครับที่ตัว น, นี้มักขึ้นที่ลืมไปแค่ทัานเองมันน่ะเรอย่องงี้ครับเั้นฉะนั้นเราจะเข้าสู่สิ่งธรรมชาติ เพราะว่าถ้าดับใดเราไปกระทําเคยกระทํามาทุกอย่างเราเราไปเหมือนสั่งการหมดเลยปุ๊บมีตัวเรากระทากลายเป็นไปสอนไปทับสิ่งเดิมแท้ตลอดจนเราคิดจะถูกต้องหรือถูกยังไงก็ตามมันก็ยังผิดเพราะว่ามันคิดเองอไปเองหมดแหละลืมภาวะเดิมแท้มันไปบังทับหมดปุ๊บพอเราหยุดคิดก็ว่างอยู่ภาวะว่างตรงนั้นเอง เราีกันนน่ยวพอหยุดจะทํามันก็ว่างทันทีเราไม่ต้องไปหาความว่างที่ไหนแล้วก็ทําให้ว่างก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันว่างเองแต่อันนี้ก็คือจิตเดิมแท้คือธรรมชาติแท้ๆที่ที่เมื่อก่อนก่อนที่จะมีทุกสิ่งนะั่นคือตัวเนี้ยเหมือนอยู่ภาวะนี้นานๆปุ๊บเราก็จะรู้เองว่ากนไกจิตมันจะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองตลอด เราไม่ไปสอนมันแล้วนี้เราเราจะเห็นความตามเป็นจริงแหละ ว, ว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นแค่ขั้นต้นที่ว่าจากจากที่เราเรียนรู้ธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวคนไกลธรรมชาติก็จะให้เราเรียนรู้ไปเองแต่ถ้าถ้าเรามีสั่งปุ๊บมันก็จะไม่ไม่หยุดหละมันก็จะตามตามโลกตามสังคมไป เ, เ, เ, เี่ยอครับได้แล้วเพราะเพราะจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยไอความคิดเนี่ยที่ที่เราคิดจริงๆเราไม่ได้คิดนะมันเป็นกรรมเก่าที่มันผากดันปุ๊บสักพักโยมมันอยู่หลายสังสารวัตรมาแล้วท่นโยมเจอคนหนึ่งเนี่ย คนนี้เห็นปุ๊บถูกชะตาเลยอีกคนหนึ่งยังเพิ่งเคยเจอรู้สึกมันใสไม่ชอบเลยมันมีมีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นลังเหมือนลังสีเป็นพลังงานที่ของวัตถุที่สร้างมาทีเนี้ยบางคนปุ๊บไปจอดรถบังหน้าบา้านคนนั้นก็ไม่ไม่ใช่คนโมโหลลยยูยดียปืนมายิงกันตายกันมันก็เป็นจากจากไอ้สิ่งที่ที่ผักดันคือความคิดน่มันมันเป็นกรรมสั่งให้ให้เรามีปึ๊ขึ้นมาความคิด แล้วเก็ไปเชื่อสิ่งนั้นแล้วเอาโตไปกระทำมันก็เลยก่อเกิดเป็นสังสารวัตขึ้นมาแล้วก็มีการดึงดึงพลังงานกันไปกันมาคนนี้ถูกคนนี้เป็นเป็นผู้บ่อมีเป็ น, รรปนคนนี้เป็นเป็นอะไเป็นอะไ ร, ะไรคือซึ่งมันสร้างสร้างโปรแกรมมาไว้อยู่แล้วเป็นกรรมที่มันพวงพันผับดันมาทีนี้เราต้องออกจากความคิดมีคิดแต่เราก็ไม่ใส่อุปทานไปว่า จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เราต้องออกจากสิ่งนี้ให้หมดเราจะได้ออกจากกรรมได้แต่ถ้าเรายัางเชื่อความคิดอยู่ว่าจดิตนิสยัยอุปทานเราความรู้เราสิ่งที่เรามีในหัวเนี่ยถ้าเราวางไม่ได้มันก็เป็นกรรมต่อไปที่จะพักดันให้สู่อนาคตไปเรื่อยๆกาต้องเริ่มจากที่ว่าที่อาจารย์บอกว่าเห็นอะไรก็อย่าไปเชื่อแล้วอย่าไปอย่าไปสอนแค่นั้นเอง แต่นี่การนำมาชีวิตของาคารวะก็น่าจะดีก่อนีคะใช่ใรครับอะไรใหเคสเยคอแยะหมดเลย <c oughs> อะกองม้เลยแตท่ที่สุดท้ายมันจะสุขความสุขกับความทุกข์เราจะเห็นง่ายขึ้นเพราะว่าสุขก็แป๊บเดียวทุกข์ก็แป๊บเดียวมันก็จะเกิดการเบื่อได้ง่ายขึ้นจะเห็นอ น, นิจจังกับความความไม่เที่ยงคือจริงๆอะดูแค่ความไม่เที่ยงก็ได้ปุกอันไหนก็โผล่ก็แป๊บเดียวอะไรก็แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปเพียงแต่ว่า มีตัวเบร ค, คืออย่าเอากายเราไปกับความคิดเนี่ยไปไปไปสอนไปเพิ่มให้มันทุกอย่างมันแป๊บเดียวหมดเห <c oughs> มือนเราดูหนังเนี่ยดูหนังเกาหลีถ้าปุ๊บดูแผ่นสองแผ่นแรกเนี่ยถ้ายังยังไม่ติดพอดูสองแผ่นที่สาเริ่มติดแล้วนี่ต้องขัดดูให้จบเนี่ยก็เหมือนกันเราเห็นแค่มีรู้รู้รความรู้สึกรู้ความหมายปุ๊บไม่ไม่ไมหลาตามแล้วไม่ปฏิเสธ มันก็จะหายไปเองถ้ามันหายเองหายเอง <c oughs> หายเองทุกอย่างยองลองไปดูเพราะ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าบอกอั น, นิีจังอันนี้จังคือแม้แต่เซลเซล์ทุกเซลล์ที่ว่าในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมตลอดทุกวินาที เ, เซลล์นี่ตายมหาศาลเลยแม้แต่ทุกอย่างมันรวรวบรวมประ ม, ม, มวลกันจนเป็นความคิดขึ้นมาเนี่ยทุกขณะความคิดมันเหมือนภาพ มีความว่างมีเนื้อหามีสัญญามีขันที่มันควบคูเรียงกันความไวถีมากเลยทีนี้เราลืมความว่างมันก็เลยนดดอินไปใหญ่เลยเพราะว่ามันกลายเป็นัน่ น, นะครับมันเลยมีตัวตัดต่อมันเลยเป็นเนื้อหาอินไปตลอด อ๋อมีอยู่<ด>ครับแต่ไม่เท<ด>่าไรครับ